เรื่องภิกษุรูปหนึ่งห้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระประจำตระกูลของตระกูลนั้นครั้นเวลาเช้าเธอครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทีนั้นภิกษุนั้นเป็นไข้พวกชาวบ้านได้กล่าวอารัธนาภิกษุนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านฉันเถิดครั้งนั้น ภิกษุนั้นมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามภิกษุที่ทายกไม่ได้ได้มนไว้ก่อนรับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะจึงไม่รับภิกษุนั้นไม่สามารถหาบิดาบาดฉันได้ทันจึงไม่ได้ฉันพรตาหารครั้นไปวัดจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข่รับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสคะด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้